จิตไม่มีรูปร่างให้ดูแต่เราดูจิตสังขารวงเล็บเปิด25、้ากุมภาพันสอจุดจุดนาที17เจดวงเล็บปิดกิเลสเป็นของถูกรู้ถูกดูความโกรธเป็นของที่จิตไปรู้เข้าอะไรที่เป็นของถูกรู้ถูกดูมันก็ไม่ใช่จิตตัวจิตเองไม่มีรูปร่างให้ดูหรอกเพราะฉะนั้นเวลาดูเราดูจิตสังขาร รูปร่างของจิตคืออะไรคือสัญญากับเวทนาก็ปรุงขึ้นมาเป็นกุศลหรืออกุศลเรียกว่าจิตสังขารเราไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆตัวจิตตรงๆจะไม่เห็นเพราะไม่มีรูปร่างให้รู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจะเห็นทุกอย่างเกิดดับแต่ใจเป็นคนดูมันอยู่ตั้งหากไม่ต้องพยายามหาจิตนะอย่าใช้จิตสแสวงหาจิต